หรือบาดหลวงผู้เผยแผ่จะนำเอาหลักธรรมะของพุทธไปใช้ได้อย่างไรเขาอธิบายว่าอ น, นิจจังในคัมภีร์ไบเบิลก็สอนไว้ว่าอย่างนี้ทุกขังก็สอนไว้ว่าอย่างนี้อนัตตาก็สอนไว้ว่าอย่างนี้อัตมาอ่านแล้วตอนนั้นก็ไปนค้นดูว่าคัมภีร์ไบเบิลมีสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าไปดูแล้วไม่เห็นน่าจะแปลยอย่างนั้นเลยไม่รู้เขาแปลได้อย่างไร ตรงนี้แปลเป็นอนิจจังตรงนั้นแปลเป็นทุกขังเขาแปลไปนจนได้ทั้งที่เนื้อความและถ้อยคําไปกันไม่ได้เลยอนัตตาเขาบอกว่าคริสก็มีเสร็จแล้วเขาก็พูดไปพูดไปสรุปได้ความว่าในกุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนไปได้ถึงแค่อนาตตาคือสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จบแค่นั้นแล้ว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 มาถึงเวลานี้แทบจะสายเกินไปหรือเปล่าที่เราจะมาตื่นตัวกันเพราะว่าเวลานี้อะไรต่ออะไรมันไปไกลมากแล้ว